หายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกสบายๆอย่าบังคับพูดง่ายทํายากเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนนะบางทีท่านพูดง่ายๆเวลาเราลงมือทําทํายากหลวงปู่สุวั์เคยสอนหลวงพ่อทิ้งมันไปเลยจิตนะ่ะทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรล็อกทิ้งมันไปเลย ท่านพูดไปยิ้มไปเราก็อือ ม, <c oughs> <c oughs> มันง่ายอย่างนั้นนี่ <c oughs> อยู่ๆนึกทิ้งแล้วทิ้งได้ก็พาาหารท่วมโลกเลยใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่ง่ายนีย่ถ้าปัญญามันไม่พอท่านบอกไม่มีอะไรแล้วทิ้งไปทิ้งไปจิตมันไม่ยอมทิ้งเราอยากทิ้งแต่จิตมันไม่ยอมทิ้ ง, ง, จ, งจิตมันรู้อย่างหนึ่งว่ามัมนยังขาด แต่ขาดอะไรไม่รู้เนี่ยมันลาบากตรงเนี้ยถ้ารู้ว่าขาดอย่างนี้อย่างนี้นะ ไ, ไปหามาเติมนี่ขาดอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าจิตมันขาดมันไม่วางวางก็วางแป๊บแป๊บก็หยิบขึ้นมาอีกต้องภาวนากันนานๆค่อยๆสังเกตค่อยๆดูมันขาดความรู้อริยสัจมันไม่เข้าใจอริยสัจ ไม่รู้ว่ารูปนามนี้คือทุกโดยเฉพาะตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าจิตคือทุกรู้สึกตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวดีตัววิเศษเลยแต่เดิ ม, มเราไม่เคยมีเรามาฝึกเจอแล้วทั้งเราได้จิตตัวรู้ขึ้นมาเราได้จิตตัวรู้อะไรรู้สึกโอ้ตัวนี้ดีจังสุขทุกข์ดีชั่วผ่านมาแล้วผ่านไปจิตตัวรู้เด่นดวงอยู่ั้นคงที่เป็นของเที่ยงเป็นสุขควบคุมได้บังคับได้อยู่ได้เป็นวันวันอยู่ได้หลายๆวัน เนี่ยปัญญามันไม่พอถ้าปัญญาพอนะเราจะเห็นว่าตัวจิตตัวรู้ที่เราฝึกกันขึ้นมานีมันก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งไปเกิดดับถ้าเรารู้ความจริงนะจิตถือจะปล่อยวางเวลาที่เราหัดภาวนานะีมันจะวางเป็นลำดับลาดับมาค่อยๆปล่อยวางเป็นลาดับ อนแรกปล่อยวางอารมณ์ได้จิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาจิตก็เป็นกลางได้มีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บความโกรธก็หายไปจิตเป็นอิสระวางอารมณ์ได้มีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นจิตไปรู้ทันสติรู้ทันแล้ยมันก็วางความโลภความอยาก แรกก็วางอารมณ์ก่อนของง่ายๆต่อมาก็วางร่างกายวางร่างกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมที่สูงขึ้นมาแล้วถ้าวางร่างกายได้นะจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีก ไ, ไปเกิดในพรหมโลกถ้าวางอารมณ์ไดไ้เห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับไม่เห็นมีตัวเราเลยเป็นพระโสดาบัน ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้บองคนอีกครั้งเดียวบางคนสามครั้งบางคนอีกไม่เกินเจ็ดครั้งยักเวียนมาอีกเพราะว่าปัญญายัางไม่พอต้องมาเรียนเพิ่มพวกเรารีบรี บ, รบเรียนซะนะยุคถัดไปไม่รู้ใครจะสอนยุคถัดไปพระไตรปิดกอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ถูกเขาปลอมไปหมดแล้วยิ่งเรียนยิ่งหลง รีบภาวนาเอาตัวรอดให้ได้ก่อนถ้าเห็นนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวเราไม่มีเป็นภูมิทําขั้นต้นเป็นพระโสดาบันถ้าได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกน้อยหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อไม่ยึดในร่างกายก็ไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายตาอย่างไม่ยึดก็ไม่ยึดรูปหูไม่ยึดก็ไม่ยึดเสียง ไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายด้วยเมื่อไม่ยึดถือมันก็ไม่ยินดียินร้ายต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสกามและปฏิฆาไม่มีภูมิธรรมของพระอนาคาการพานาถัดจากนั้นจิตจะรวมลงมาที่จิตดวงเดียวจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พวกเราฝึกไว้นี่แหละตัวนี้แหละคือ กจกเลยอวิชชาซ่อนอยู่ที่นี่เองคนทั่วๆไปไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีจิตเป็นผู้รู้มีแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้หลงเราก็พัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะเห็นว่าชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆคนที่ไม่ได้ภาวนานะไม่มีตัวรู้เนี่ยชีวิตเขามีอย่างเดียวคือหลง หลงหลงหลงหลงลงหลงอยู่อย่างนั้น <median> นะเลยคิดว่าจิตใจนี้เที่ยมแต่พอเรามาหัดมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีตัวหลงเกิดขึ้นตัวหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีตัวรู้เกิดขึ้นมันคล้ายๆชีวิตเราขาดเป็นท่อนๆชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่รู้สึกตัวชีวิตช่วงนี้เป็นชีวิตที่หลงนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราไม่ได้มีอันเดียว จิตใจเราก็ไม่ได้มีอันเดียวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็สามารถเดินปัญญาได้งั้นมีตัวรู้ขึ้นมานะเพื่อเอามาเดินปัญญาพอมีตัวรู้เราก็เห็นรูปนามเกิดดับได้เห็นความรู้สึกเกิดดับได้จิตเป็นคนรู้และสุดท้ายก็เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดงั้นที่เราฝึกจนกระทั่งเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเอง อาศัยไปเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีตัวรู้มันเจริญปัญญาไม่ได้พอมันมีตัวรู้ขึ้นมามันก็เห็นเลยความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับดีเกิดแล้วดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดั บ, ดดบ ร, บร่งบรางกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะแยกแยกแย ก, แยกออกไปเห็นตัวเราไม่มีเพะเดินปัญญาเดินปัญญาเสร็จแล้วจะรู้ความจริงก็วาง วางอารมณ์ไปวางร่างกายไปก็เหลือตัวรู้แล้วคันนี้ตัวรู้จะเด่นดวงนะเวลาบรรลุพระอนาคามีแล้วเนี่ยตัวรู้จะสว่างไสวท่านบอกว่าสมาธิบริบูรณ์นะสมาธิบริบูรณ์หมายถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิสงบสมาธิสงบนะฤๅษีชี้ไพรก็ทําได้นะพระอนาคาบางองค์กันได้ปฐมฌานทัทั้งที่ว่าสมาธิบริบูรณ์ ในขณะที่ปุถุชนบางคนได้ฌานที่8ปดแต่ถือว่าสมาธิไม่บริบูรณ์เพราะสมาธิคนละชนิดงั้นพอจิตเรามันปล่อยวางจิตนะจิตลงมาอยู่รวมลงมาที่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่งั้นถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัตินะจะรักแล้วก็หวงแหนตัวจิตผู้รู้นี้ที่สุดเลยโอ้หนี่แหละจิตหนึ่งนี่แหละจิตหนึ่ ง, น, น, งนี่แหละจิตเติมแท้จริงๆยังไม่ใช่นะ ยังไม่ใช่จิตหนึ่งหรอกยังเป็นจิตสองอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งจิตยังแปรปรวนอยู่สว่างสวยได้ยังมองมองได้มัวๆ ม, มัวได้ น, นั่นๆ่มัวทีหนึ่งไม่เหมือนจิตพวกเราหมัวทั้งวันไม่ค่อยสว่างวภูถุของเราเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเสียใจก็เป็นอย่างนี้แหละยอมรับความจริงแล้วพัฒนาไป เขเป็นพระนาคานะสมาธิไม่เสื่อมเห็นได้จิตมันมองมองแต่จิตก็อยางตั้งมั่นนะไม่ใช่มองมองแล้วไหลไปหลงโลกไม่มีหรอกมันมองอยู่กับตัวของมันเองนั่นเองผู้มีสติปัญญาก็ยังเห็นนะึกตัวรู้นี้ก็ยังไม่เที่ยงตัวรู้ยังแปรปรวนได้อีกนะจิตเขปล่อยวางตัวรู้ได้สร้างมาแทบตายนะ มีตัวรู้ขึ้นมาเพื่ออาศัยเจริญปัญญาพอเจริญปัญญาเต็มที่กับปล่อยตัวรู้ทิ้งตัวรู้ตัวเดียวนี่แหละที่พาเราไปเกิดจิตตัวรู้นีเน่เหมือนเหมือนเมล็ดของต้นไม้เรามีเมล็ดเม็ดข้าวอยู่เม็ดหนึ่งเนะี่ยเม็ดข้าวเม็ดเดียวตกลงไปในท้องนาถูกแดดถูกฝนก็งอกเป็นต้นข้าวได้อีก มีจิตตัวรู้ตัวเดียวนี้แหละอวิชชาคือเชื้อเกิดซ่อนอยู่ข้างในถึงเวลาเหมาะๆนะมันก็งอกขันห้าขึ้นมาได้อีกงั้นอาศัยตัวรู้ตัวเดียวนิดหนึ่สร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกต้องทำลายเชื้อเกิดของมันคล้ายๆเรามีเมล็ดต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้องทำลายต้นอ่อนที่อยู่ข้างในของมันให้ได้ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดของต้นไม้ตัวต้นอ่อนของมันก็คือตัวอวิชชานิดหนึ่ง อวิชาเราจะทำลายตัวนี้ได้ไงแล้วก็ดูไปตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงตัวรู้เองก็บังคับไม่ได้จริงพอเห็นความจริงแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยจิตปล่อยวางตัวรู้แต่ถ้าคนไหนเป็นพวกทรงฌานนะจิตทรงฌานอยู่ได้เยอะๆเลยจะเห็นว่าตัวรู้นี่เป็นตัวทุกขนะ์ลำพังเห็นตัวรู้ว่าไม่เที่ยงเนี่ยจิตไม่ปล่อยนะเพราะว่าเวลาทรงฌานอยู่ มันเหมือนตัวรู้เที่ยงแล้วก็จิตมันมีความสุขมากจิตที่ทรงฌานอยู่แต่จู่ๆกลับไปเห็นว่าจิตตัวรู้ผู้ทรงฌานอยู่นีเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นตัวทุกข์นะถึงยะปล่อยงั้นเวลาที่จิตจะปล่อยวางจิตเนี่ยปล่อยได้หลายแบบพวกที่มีศรัทธามีวิริยะอะไรมากมายนะเห็นมันไม่เที่ยงก็ปล่อยลนะ พวกที่มีปัญญาแก่กล้าเห็นว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราก็ยอมปล่อยวางจิตแต่พวกทรงฌานนะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นี่คือก้อนทุกข์ที่สงวนรักษาเอาไว้จิตถึงจะปล่อยวางจิตงั้นเวลาจะปล่อยวางเนี่ยเห็นอันใดอันหนึ่งบางคนเห็นอนิจจงังบางคนเห็นทุกขงังบางคนเห็นอนัตตาเราเลือกไม่ได้จิตจะเลือกของจิตเองในวาระสุดท้ายนั้น บางคนเห็นจิตเป็นตัวทุกข์พวกทรงชันเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตได้บางท่านเห็นจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนท่านก็ปล่อยวางได้นี่พวกปัญญากล้าพวกหนึ่งมีความเพียรกล้าพยายามภารณาไปเห็นมันไม่เที่ยงปล่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ปล่อยแล้วเป็นอันเดียวกันตรงที่เรียกว่าจิตจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ที่เวยหลังพูดถึงหรือพงโพพูดถึง ไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้ยังเป็นจิตที่เป็นคู่อยู่ยังเป็นสิ่งที่เป็นคู่อยู่คือคู่กับความหลงสว่างสวัยได้ก็คู่กับความมืดมัวได้แต่เมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วเนียจะเข้าถึงธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธาตุรู้ธาตุรู้มันก็ไม่มีอะไรปลอมปนเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องระวังรักษา เนี่ยที่เรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งคือมันไม่เป็นสองขึ้นมาจิตเดิมแท้เป็นธาตุธาตุจะเป็นของเดิมอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเดิมมันอาศัยธาตุที่มาประกอบเป็นร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ําไฟลมเป็นธาตุเป็นของเดิมตัวรู้ก็ยังมีธาตุรู้ธาตุรู้เป็นของเดิม เพราะนบางทีเราเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็มีคําว่าแท้ด้วยไม่ใช่จิตเดิมเทียม <c oughs> เราอย่างพานานะยังเข้าถึงเข้าถึงจิตเดิมแท้นี่แหละมันจะไม่แปรปรวนไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันได้อีกละเพราะมันไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วที่มันไม่มีความอยากเพราะมันฉลาดเต็มที่แล้วทําลายเชื้อกเกิดคือความโง่ไปนะค่อยๆฝึกนะฝึกไป สภาวะนี้มีจริงๆไม่ใช่อุดมคติมาหลอกให้ภาวนาหรือหลอกให้เป็นคนดีภาวะของจิตที่พ้นจากความทุกข์ภาวะของจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งมีจริงๆริเป็นสภาวะของจิตที่พ้นจากความอยากมีจริงจริงอยู่ที่ฝึกเอาถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้นะไม่มีงานต้องทําต่อละไม่ต้องกลัวสมาธิเสื่อมไม่ต้องกลัวอะไรสัก อ, อย่าง สมาธิเสื่อมไหมเสื่อมเพราะสมาธิเกิดได้ก็ดับได้แต่ไม่ตกใจนะไม่ตกใจสติเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้ของเกิดแล้วดับไปแต่จิตนั้นเข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปละมันสามารถโยนสติสมาธิปัญญาโยนทิ้งได้หมดเลยโยนกระทั่งตัวรู้ทิ้งได้ พอมาถึงตรงนี้เราก็รู้เลยว่าตัวรู้ที่เราภักเพียรฝึกแทบตายเหมือนเรือเวลาเราอยู่ในทะเลเราต้องอาศัยเรือแต่พอถึงฝั่งแล้วนะทำลายอวิชชาแล้วไม่ต้องอาศัยเรือถ้ายังอยู่บนเรือตลอดก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ดังั้นเราอาศัยตัวรู้เนี่ยเพื่อภาวนาปฏิบัติชวนปัญญาแก่กล้าปัญญาแก่กล้าจริงนะจิตปล่อยวางตัวรู้ทิ้ง ขึ้นถึงฝั่งได้คือขึ้นถึงพระนิพพานได้นขึ้นมาแล้วแทบเขลียดขัวตัวเองเลยนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยเที่ยวหาโอ้ยทําไงจะเจอทําไงจะเจอนี่แท้ของอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าจิตมันมีกิเลสตัณหามันเลยมองไม่เห็นนะจิตมันสิ้นตัณหาท่านนิพพานอยู่ต่อหน้าเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ต้องแสแวงหานะ ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีขอบเขตไม่มีรูปรักษณเนะ่ป็นภาวะที่มันเต็มมันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองไปฝึกนะค่อยๆเรียนไปอย่างน้อยรู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นนี่เป็นต้นทางที่จะไปปฏิบัติต่อจิตมันเป็นผู้รู้แล้วส่วนบางคนยังเป็นผู้รู้ไม่เป็นเป็นแต่ผู้คิด เป็นผู้คิดก็ยังลําบากอีกนานนะยังต้องลาบากอีกกว่าจิตจะยอมเป็นผู้รู้พวกที่ติดการคิดเนี่ยเพราะกลัวโง่กลัวไม่พ้นทุกข์กลัวโง่เลยพยายามคิดใหญ่เลยไม่รู้ว่าการคิดเอาเป็นเครื่องมือของมารนะเรียกว่าอภิสังขารมานความปลูงของจิตคิดเอาทีนะ่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดให้อยู่ในโลกของความรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไม่จ้องไม่เพ่งล้วจ้องเพ่งเราเครียดจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกเอาจิตใจดีจิตใจชั่วก็รู้สึกเอาไม่บังคับไม่ใช่ว่าต้องเอาดีต้องห้ามชั่วถ้าจะเอาดีห้ามชั่วจิตจะตึงเครียดนะไม่ห้ามรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดูมันทางานดูเหมือนดูคนอื่น ถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะวางปล่อยวางอยู่าแก้วางอารมณ์ได้ถ้าไปวางร่างกายได้ถ้าไปวางตัวรู้ได้นะถ้าวางตัวรู้ได้ก็จะจบไม่มีอะไรต้องเรียนอีกแล้วถึงที่สุดแผงทุกข์กันตรงนั้นล่นะตัวรู้เนี่ยตัวแสบมากเลยเราสร้างมันแทบตายนะเมื่อวันหนึ่งจะต้องทำลายมันครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลนะอยู่ท่านนั่งนั่งอยู่ท่านก็พูดออกมา เราสังเกตดูเราพิจารณาดูนักปฏิบัติส่สวนใหญ่ไปเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นฟรมแล้วท่านก็หยุดไม่พูดต่อที่เป็นเป็นปรมเนะเพราะว่าปล่อยตัวผู้รู้ไม่ได้หลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายเดือนกันยาปี2526ันี่ปีมาแล้ว2ปี เมื่อสาปีก่อนไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายท่านก็สอนสอนจนท่านเหนื่อยนะสอนจนค่ําแล้วเหนื่อยบหลวงปู่ครับผมจะกลับแนะล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้จําไว้นะต้องจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเอสอนเล่าทีแรกให้มีผู้รู้นะ พอท่านจะถึงเวลาท่านจัดบรณภาพท่าน่าสอนอีกว่าถ้ายังทำลายผู้รู้ไม่ได้ยังไม่ถึงที่สุดวันเนื่อขึ้นอีกวันหนึ่งหลวงพ่อออกจากหลวงปู่ดูลนะไปแยกรับหลวงพ่อพุทธที่คุราะนครราชสีมาหลวงพ่อพุนก็ถามานักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไร บอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพูทท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้เนี่ยคือสุดยอดของกรรมฐานคือจุดสุดยอดของกรรมฐานท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลยเจ็ดวันท่านไปเยี่ยมหลวงปูเ่เหมือนกันท่านรู้ว่าหลวงปู่ใกล้มรณภาพแล้ว ถ้าท่านจะลากลับหลงบวงปู่บอกเจ้าคุณนจำไหมนะการปฏิบัตินะ่ะพบผู้รู้ให้ทํำลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจริงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นเรายังพอนามได้น้อยทํำไงว่าทํำลายผู้รู้หลวงพ่อพุทธท่านก็กลัวหลวงพ่อจะไปทําลายตัวจิตตัวผู้รู้นะคืน อ, อยู่ๆไปทำลายเนี้ยบ้าเลยนะสะติแตกเลย ท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือไม่ยึดถือจิตจิตปล่อยวางจิตจิตไม่ยึดถือจิตนั่นแหละคือที่สุดของการปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับธรมามาทํากติกากันใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันแล้วท่านได้บอกหลวงพ่อจริงๆนะ <c oughs> เจอข่นขานครังสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพิมไม่นานหรอกท่านไปนเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานที่นั่นอนะ แล้วท่านเทศใสเข้าไปกราบท่านไปถึงก็กราบท่านไม่ได้เจอท่านหลายปีท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านไปหลบพอนาไม่ค่อยเจอใครเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแะท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกงั้นหลวงพ่อจําได้บอกท่านอีกบอกหลวงพ่อครับผมยังทำํำลายตัวผู้รู้ไม่ได้เลย ท่านก็พูดนะอย่างห้าวหาญหน้าตาท่านเนี่ยสงพลังห้าวหาญท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เมื่อลูกไก่มันโตเต็มที่นะมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองเวลาเรามีไข่ไก่ใช่ไหม พอลูกไก่ข้างในไข่มันโตมันจะเจาะเปลือกออกมาเองเพราะงั้นเวลาที่จิตจะทําลายผู้รู้ลงไปเนี่ยมันทําลายของมันเองไม่ใช่เราทําลา ย, เ, ยเมื่อลูกไก่คือจิตนี้เติบโตเต็มที่แล้วเติบโตเต็มที่ด้วยปัญญานั่นเองแต่ท่านไม่ได้ขยายความท่านท่านพูดแค่ว่า จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองเราฟังเนี่นะโอ้ยขนลุกทั้งตัวเลยโอ้ท่านเล่นเจาะเปลือกไปแล้วนะเนี่ยเราจะเจาะได้เปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> รู้สึกยากยากนั่นเจอท่านกลางสุดท้ายนะเจอท่านกลางสุดท้ายนี่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์ เจอหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเจอหลวงพ่อพุธครั้งสุดท้ายบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเจอหลวงปู่สุวัตครั้งสุดท้ายบอกว่าทิ้งมันไปเลยทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหลอกจิตนะพูดง่ายง่า <c oughs> ก็ลูกไก่มันไม่โตอ่ะ กไก่มันจะเป็นหมันหรือมันจะแทงก็ไม่รู้นะมันขาดมันโตไม่เต็มที่เพราะมันขาดขาดอะไรขาดความรู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจเนี่ยถึงจุดสุดท้ายนะ่าจะรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกและจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกไม่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จะเกิดอริยมรรคขึ้นแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานโดยอัตโนมัติไม่ฝึกเอานะไม่ยากหรอกรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไรีนรู้ความจริงไปเดี๋ยวลูกไก่ก็โตเองแหละถ้าไม่โตก็เป็นไข่ข้าวรู้จักไหม <c oughs> ยุคนี้ผมไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนตามสนามหลวงอะไรเงี้ยสมัยมีตลาดนั้นจะมีแผงหับเล่ มีขายไข่ข้าวมีลูกไก่อยู่ในไข่นะเจาะเปลือกออมามีลูกไก่นั่งอยู่ตัวเหลือง mm. ๆเห็นแล้วว่าจะแตกแล้วฉันน้ากิน <c oughs> ไม่กล้ากินนม <c oughs> แล้วเราจะเป็นลูกไก่ที่อยู่รอดหรือเป็นลูกไก่ที่ตายแล้วอยู่ที่ตัวเราเองแล้วนะ่ะ <c oughs> เราจะดูแลตัวผู้รู้ของเราได้ดีแค่ไหนเราจะอบรมสั่งสอนมันให้ความรู้กับมันได้ดีแค่ไหน ถ้าเรามีตัวรู้แล้วก็พาตัวรู้ให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะก็เรียกว่าเราดูแลตัวรู้ของเราได้ดีถึงวันหนึ่งตัวรู้เข้มแข็งนะเจาะเปลือกคืออาวิชาออกมานะทำลายอาวิชาออกมาเอาส่งกันบ้านนักการครับหลวงพ่ อ, อรู้สึกว่ามันสงบด้วยฟุ้งด้วยไม่เป็นไรจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน ตัวรู้ไม่ได้ฟุ้งด้วยหรอกตัวฟุ้งซ่านเป็นตัวเจตสิกที่ไหมตัวเจตสิกมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมีอยู่จิตเป็นคนดูจิตตัวนี้ไม่ได้ฟุ้งหรอกบางทีมันเหมือนกับว่าคิดไปแล้วพอเรารู้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรารู้จริงว่ามันเหมือนเงียบเงียบให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันเลยะไม่ต้องไปทบทวนว่าตะกี้นี้รู้จริงหรือเปล่าแต่ขณะนี้กําลังสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย อย่าคิดเยอะคิดมากยากนานขอกันบ้านใช่แล้วนะไป่ทำเอาเทศทุกวันก็คือการบ้านทั้งหมดไม่ใช้เทศให้ฟังเล่นๆ น, นะเ <c oughs> ทศเพื่อให้ไปทํานั้นทุกคําที่เทศกนะ็การบ้านทั้งนั้นแหละกระทั่งพูดตลกตลกให้ฟังอะนะก็เป็นวิธีการนะให้ใจเราคลายจากอารมณ์ตึงเครียดบ้างบางทีเรียนมากๆเคร่งเครียดหมกมุนพ่อพูดเะไให้ตลกตลก ใจเราคลายคลายๆหมากตานี้เล่นอยากล้มกระดานเริ่มต้นใหม่งันที่พูดเนี่ยจำเป็นต้องพูดเท่านั้นนะไม่ได้พูดเล่นหรอกอว่ามาไม่ไม่อยากส่งกันบ้านค่ะไม่อยากส่งอ่ะกลหลวงพ่อว่าแล้วกลัวทาไมกลัวครูบาอาจารย์ไม่ดีนะอยา ก, กลัวครูบาอาจารย์ตานี้นะต้องถือว่าบุญเลยนะหลวงพ่เวลาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ย ไปถามกรรมฐ า, านท่านนะถามว่าถ้าผิดนะให้ท่านบอกเลยถ้าเราทําอะไรไม่ดีนะถ้าถูกท่านว่านะอิ่มใจเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านไม่เคยว่าหรอกท่านว่าทําถูกมีตอนหัดใหม่ๆครั้งหนึ่งนาะโดนว่าโดนพระที่ไม่พูดว่าหลวงปู่สามมาขึ้นชื่ อ, ลอเลยชาไ้พระไม่พูดอเป็นนั่งอยู่กับท่านชั่วโมงก็ไม่พูดสองชั่วโมงก็ไม่พูดสามชั่วโมงก็ไม่พูดเป็นพระเงียบ หลวงพ่อไปถึงตอนนั้นท่านไม่ค่อยสบายนั่งรถเข็นอยู่ด้วยซ้ําไปไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นหลวงพ่อคอเข็นพาท่านไปเที่ยวพระที่อุปถัมภ์เนี่ยบอกหลวงพ่อให้ช่วยหลอกท่านหน่อยท่านมาอยู่สี่ราษฎร์อยากจะกลับวัดลูกเดียวเลยบอกเฮ้โยโยมช่วยหลอกหน่อยอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งให้ท่านกลับต้องรักษาต่ออะไรเงี้ยเราก็มีหนะ้าที่พาท่านไปดูลูกปู่อยากดูแม่น้ําเจ้าพญาไหมกอไปดูไปดูปดเข็น แล้วขึ้นลิบไปนะขึ้นไปหลังคาตึกเนี่ยครับแม่น้ำกลับอะไรก็กลับอย่างเดียว่หลอกยากมากเลยเดี๋ยวท่านหลวงปู่ยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวขอนวดหลวงปู่นวดนวดก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกดีไม่ไปขยาท่านแข้งขาหักนะขยาทรงเดชเลยนวดไม่เป็นแต่อยากนวดกาว่าได้บุญนวดแล้วใจลอยใจไปคิดเรื่องอื่นมือก็นวดนะ ท่านว่าเอาไม่เต็มใจนวดเราเขาไม่ต้องนวดหรอกเห็นไหมพูดหลายคําแล้วไม่ใช่พูดคาว่ากลับไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกเต็มใจครับใจลอยครั้งที่สองว่าอยนะพอทั้งที่สามรู้เลยว่าท่านสอนท่านสอนเราให้มีสตินั่นเองงั้นถูกดุถูกดานะเป็นสิริมงคล น, นะอย่ากลัวครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้โหดร้ายกับเราหรอก แต่บางทีทำท่าดูนะทำท่าโหดๆเพราะบางคนจิตมันดื้อบางคนพูดดีด้วยไม่ได้ต้องโขกต้องสับต้องด่าด่าแล้วดีขึ้นบางคนถ้าว่าแล้วก็จิตเสียเลยนะอย่างนี้ไม่ว่านะเออดีขึ้นตั้งเยอะแล้วผมมาถูกทางหรือยังหรือหนูมาถูกทางหรือยังเออมาวัดถูกก็ถูกแล้วอย่าไปภูมิใจนะ งั้นถูกดูไม่ใช่แปลว่าไม่ดีนะถูกชมก็ไม่ได้แปลว่าดีแต่ทั้งหมดนะทําด้วยเมตตาทั้งนั้นนะบางคนะมีหน้าคนแก่บางค น, นะ น, ค น, งคนเหงาคนแก่จํานวนมากเหงานะี่เวลาหลวงพ่อไปเที่ยก็ตามไปบางทีเราก็พยายามจะส่งกันบ้านให้ได้เลยไม่มีเรื่องหรอกอยากส่งเพราะเหงาเราอจะเบรก เบรกก็สงสารมากนะท่านเบรกเดียวเสียใจเกิดปุ๊บปั๊บตายตอนนี้ตกนรกนี่มาโทษเราเองต้องทนอ น, นทนฟังพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสาระแต่ต้องท น, นอย่างนี้ก็มีนะถ้าเป็ดพวกเราเลยหลวงพ่อาพาก็บเบรกโครมกาให้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพวกเราทนได้เยเพราะงั้นบางคนหลวงพ่อพูดเพราๆด้วยไม่ใช่แปลว่า ด, ดีเสมอไปนะแต่ถือยังไงก็เมตตาเท่านั้นเลยกลัวตกนรก งั้นอย่ามากลัวครูบาอาจารย์นะถูกด่าได้เป็นบุญแล้วล่ะอยากถามยังอยากถามแล้วค่ะเออว่ามาอย่างเมื่อคืนนี่ต้องบิ้วตั้งนานนะกว่าจะถามเมื่อคืนนี้ตอนที่มีเสียงดังๆค่ะหนูก็โกรธโกรธแล้วก็เดินจงกรมไปก็รู้สึกตัวว่าโกรธแต่พอสักพักก็ก็ยังดังอยู่ก็ยัง เกิดขึ้นอีกค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรื่องเราไม่ได้ให้ค่านะไม่ใช่เอาดีหรือไม่ดีตรงนี้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธหรือเปล่าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธดีดแล้วเดี๋ยวมันก็วนกลับมาโกรธอีกอเหตุมันยังอยู่เหตุก็คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นเหตุให้เกิดความโกรธนะ ถ้าเจอแต่อารมณ์ที่ชอบใจมันก็ไม่กลัวหรอกกลัวก็บองแล้วล่ะนี่เสียงดังไม่ชอบแต่บางทีเสียงค่อยๆก็ทําให้จิตเป็นโทสะได้นะเช่นเราเดินภาวนาขงเราอยู่ในวัดมืดๆเนี่ยได้ยินเสียง <laughs> <laughs> มนมัสกรแหมจิตอาจจะ ก, กลัวก็ได้เห็นไหมก <laughs> ลัวเป็นโทสะไม่แน่ว่าเสียงดังทําให้กลัวอย่างเดียวนะ เสียงเบาๆน่ากลัวเขามีเหมือนกันจำได้ว่าก่อนนอนยังพลานโกรธเขาแทนหลวงพ่อด้วยอ่ะเหรอทำไมบอกลวดแทนหลวงพ่อกเขาไม่ยอมหยุดเพลงสะทีหนูก็เลยกลัวหลวงพ่อลำคาญเหรอหลวงพ่อไม่ได้ยินทำยังไงให้ไม่โกรธนะหลวงพ่อทำไม่ได้โกรธให้รั่วโกรธแล้วต่อไปจะเห็นนะโกรธทีไรก็ทุกทุกที ใจมันจะค่อยๆเลิกโกรธไปเองอ่ะมันไม่อยากทุกข์โกรธแล้วทุกข์ไหมดูเข้าไปตรงนี้เลโอ้ทุกข์อีกแล้วไอ้นั่นร้องเพลงเสียงดังมีความสุขอีนางนี่เกลียดเสียงดังมีความทุกข์ะมันเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมมันมีความสุขมันร้องเพลงอย่างกัะหมาหอนโอเราเนี่ยภาวนาอยู่มีโทสะก็เรื่องอะไรขัดทุนเราต้องมีความสุขนะ ฟังเสียงเสิตลกว่าเราก็ไม่เป็นผิดคีย์ด้วยอะไรเงี้ยฟังให้มันตลกไปบอคบคุค่ะกราบน้ัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ้ว่ามาครั้งนี้มาอยู่วัดที่ว่าใจลอยๆเนื่อยๆไม่ถึงฐานแล้วทํายังไงต่อไปดี <ทำ S 2> คร<ะ>ับทอะไรไม่ได้นะให้รู้หายใจแล้วรู้สึกกายหายใจแล้วรู้สึกกายเรื่อยๆมันถึงจะเข้ามา ไม่ดึงนะถ้าดึงมันจะแน่นอ้าวต่อไปแล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงต่อไ ป, ปถึง จ, <า>จนนงนี้แหละ้นะรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆ<ต>จิตมไม่เข้าไ<ล>ง บ, าบ่อยนะคะเอออย่ายอมมันอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยใจมันจะล่องลอยนะคพราะฉะนั้นเราต้องหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปอ้าวต่อไปอมะมะมาดิจะพูดไหน อาม่าไม่ค่อยปวด<บ>อมาสิ่งอย่างเดียวกำ้ําพ่อคะ่ะอาม่าเห็นไหม <c oughs> ใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดียเด๋ยวสบายใจเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดียดเด๋ยวห่วงเดี๋ยวไม่ห่วงนะเนี่ยดูไปใจเราเปลี่ยนทั้งวันใจเราเนี่เป็นของบังคับไม่ได้ลูกเรายิ่งบังคับไม่ได้ใหญ่เนี่ย <c oughs> <ๆ>นะเราดูของเราพอยางนี้ <c oughs> วนันวันก่อน เดินจองกลมอยู่ต้องลังจนรดเห็นนกบินอหลายตัวนะอไอ้เจนนึกว่าถ้าถ้ามีเรืองเงินตายเกิดเนี่ยเกิดบนนกกระดีเหมือนกันนะก็บอกพ่อเขาบอก็บินอยู่อิสระนะมีจิตมีจิตองกดวงหนึ่งขึ้นมาบอกว่าไม่ดีไม่ดีหรอกก็บอกพ่อบอกว่าไอ้เจอคนได้ลองคอนได้จริงตายเจสเสียฟีเสียเปล่าเลย แต่เออแต่คิดว่าเออเป็นนกก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ใช้ได้กว่าปรุงแต่งไหมคะหลวงพ่ออย่างนี้เรียกว่าแต่งฝ่ายดีแต่งฝ่ายดีเอปรุงแต่งฝ่ายดีถ้าปรุงแต่งฝ่ายชั่วก็โอ้เป็นนกก็ดีนะเพลินดีอะไรเงี้ยเอปรุงแต่งฝ่ายดีก็เป็นนกก็มีความทุกข์เป็นคนก็มีความทุกข์เป็นอะไรอะไรก็มีความทุกข์นะคะอย่างนี้ถ้าปรุงแต่งฝ่ายดีอ๋อปรุงแต่งฝ่ายดอดีกว่าปรุงชั่ว ดีมากไปฝึกต่อเอาคุณนลวงพ่อค่ะมาสแกนหลวงพ่อค่ะเมื่อวานนี้วันก่อนหลวงพ่อให้ไปดูกระดูกเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดปั๊บเห็นปุ๊บเลยหนูก็ดูดูไปเลยดูแบบกระดูกข้างในชัดเจนมากกระดูกข้างในกระดูกข้างนอกนะข้างนอกกระดูกข้างนอกเรียบข้างในเป็นภูเป็นรูรูรูรูแล้วก็มีติดเลือดนิดนิดดูไปดูมาเบื่อแล้ว ออกออกออกออกมายืนดูตัวเองข้างนอกเลยว่าเออตัวเองทําอะไรมั่งเออดูอย่างอื่นเบื่อเออก็เลยออกมาดูปีกตัวออกมาดูตัวเองเออถ้าไม่ดูกระดูกก็ดูตัวเองอย่าให้เกินนี้ออกไปนะเดี๋ยวดูตัวเองเบื่อดูนกอีกอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะอย่าให้เกินตัวออกไปพอแป๊บเดี๋ยวเนี่ยขนาดผู้กระหลุงพอแป๊บเดียวเผลอคลอยไปแล้วไปดูกระดูกต่อนะคลอยคลอยรั่คลอยเอาเอาไปอีกนะถ้า แถบทนายความหนึ่งนาทีว่าคดีความได้ห้าคดีความเลยนะเนี่ยถูกดีใช้ได้นะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่ออย่าทิ้งกระดูกนะก็เราต้องเล่นอัฐิเรียกอัฐิกรรมฐานดูกระดูกของเราเองแล้วถึงจะดีถ้าดูกระดูกไปเรื่อยๆจิตจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปกระดูกมันจะระเบิดดูดไปเรื่อยๆจะเหลือจิต ด, ดวงเดียว อมีจิตดวงเดียวแล้วต่อไปพอมันกลับมามีร่างกายอีกมันจะรู้ซึ้งเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วจะเห็นจิตที่จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาน้ำมันสการ์ค่ะหลวงพ่อหนูเลตุ้มเปะมาเลยอะค่ะอ้าวเหไปทําอะไรมาหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ภาวนาเลยอะค่ะหลวงพ่อก็อสมควรอยู่ <laughs> ไม่หนูนั่งสมาธิแล้วตอนหลังหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้ตัวหนูเลย เริ่มกลับมาเดินจงกรมอะค่ะถ้าอารมณ์กรรมฐานละเอียดไปสติจับไม่ทันนะแล้วใช่อารมณ์ที่หยาบขึ้นอย่างบางคนถ้นั่งหายใจแล้วเคลิมมาเดินอันนี้มันหยาบขึ้นหรือบางทีก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้เคลิ้มก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันหยาบขึ้นพออารมณ์กรรมฐานมันหยาบได้พอดีกับสติเราก็จะดูทันนะ แต่ไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยนะดูไปมันชีวิตมันทุกข์มากพ อ, อ, อมันเห็ น, น, นทุกข์แล้วมันหนีไม่อยากดูะะ่ะไม่ไม่อยากดูมันก็ยังทุกข์อยู่นะ <ทำ S 1> ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติคนที่มีความสุขมากๆอ่ะไม่ค่อยปฏิบัติหรอกเพลินงั้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะให้เรารู้ทัน ใจเราเศร้าหมองรู้ว่าใจเศร้าหมองใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจอยากให้มันพ้นไปรู้ว่าอยากอาศัยความทุกข์เนี่ยแหละมาคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆมันถึงจะเกิดพัฒนาเมื่อเวลาที่ความทุกข์ผ่านไปแล้วนะเราจะเติบโตเราจะรู้สึกเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความสุขไม่ทำให้คนเติบโตหรอกความสุขทำให้คนหลงงั้นเวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นเวลาที่ดีนะ ถ้าเรามีสติจะดีมากเลยอย่าไปอยากให้หายทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะ อ, ะอรู้แล้วมันหนีไปทําอย่างอื่นแล้วหนูต้องบังคับตัวเองให้กลับมาหยุดกับมันให้ได้ใช่ไหมใ ห, ใ, หให้กลับมาคอยรู้ความรู้สึกนะไม่ใช่บังคับจิตให้มาอยู่นิ่งๆอยู่นะ แค่คอยรู้ทันความรู้สึกไม่ลืมความรู้สึกของตัวเองส่วนความรู้สึกนั้นนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช้ได้ไม่ไปบังคับดึงกลับแล้วก็ให้จิตนิ่งให้แค่คอยรู้ทันความรู้สึกนวัตสการ์หลวงพ่อไม่ได้ส่งมาสองปีอะค่ะคือหนูปล่อยให้ขันมันทางานแบบแล้ ว, แ ล, วแล้วตามรูเอากิเลสมันก็เลยขึ้นมาชนิดเราต้องถือศีลไว้ก่อน เราตั้งใจถือสี่ห้าเพราะอะไรเพราะในเวลาที่เราเจริญปัญญาเราไม่บังคับจิตกิเลส จ, จะขึ้นมาเยอะเยอะมากเยอะอยังไงก็ไม่ให้ผิดสี่ห้าแค่นี้พอละเราก็ดูไป <c oughs> เห็นไหมกิเลสขึ้นได้เองเห็นไหมเกลียดมัน <c oughs> รู้อย่างนี้ น, <c oughs> นั่นแหละรู้ที่ไม่เป็นกลางนะทจ้กิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ <c oughs> จิตไม่เป็นกลางต่อกิเลสให้รู้ ที่หนูดูความไม่เป็นกลางต่อไปใช่มไหม<ช>เพราะหนูรู้สึกว่าช่วงนี้ปัญญามันไม่ค่อยเกิดเหมือนมันไม่เกิดะค่ะใครบอกอะ่ะ <c oughs> ปัญญามันแค่ไม่บรรยายให้เราฟังเท่า น, นั้นนเองหนูรู้สึกไหมกายกับใจเนี่ยมันโคลนอันกันชัดเจนเลย เ, เห็นัหมเนี่ยปัญญาละมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกก็ดูไปได้นะกระทั่งตัวจิตใจนี่หรอกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เผลออะไรเดี๋ยวก็รู้สึกเลย มีแต่ของเปลี่ยนแปลงดูบ่อยๆแ ล, แล้วอีกอย่างหนึงค่ะหลวงพ่อคือมานะของหนูนะบางทีจะไปเพิ่มมานะของลูกหนูจะทํำยังไงดีคะทุเป็นยังไงมานะของหนู <c oughs> ไปเพิ่มมานะของลูก <c oughs> บอกว่าคือเขาเป็นเด็กเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะไปชมเขาเรื่อยๆหนูก็เห็นมานะของเขาที่ที่เหมือนมั น, มนเพิ่มเ อ, อขาบอกข้อสี่ว่าเห็นไหมมานะเกิดอะให้ดูอย่างนี้เลยน ะ, ะเออดูอย่างนี้ลแล้วเขาดูได้เหรอคะได้สิเด็กอะดูง่ายนะ เด็กทำอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดผู้ใหญ่ก็ทำอะไรได้น้อยกว่าที่เด็กคิดเยอะเลยคุณค่ะขเขาบอว่าเวลานอนหลับอยู่คือจะเหมือนจะหัวใจจะตึงออกข้างนอกจะชนร่างกายเขาจะเตื่นขึ้นจะเกิดความกลัวครับให้รู้ว่ากลัวรู้อย่างที่มันเป็นใจมันกลัวรู้ว่ากลัวหัวใจมันไม่หลุดออกมาหรอก เขากลัวว่าขั้นหน้านอนไม่หลับครับนอนไม่หลับนอนไม่หลับอย่าไปกลัวนะบางทีร่างกายหลับนะแต่จิตมันตื่นก็มีนะงั้นยิ่งเราภาวนาเนี่ยมันจะเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนได้เลยร่างกายนอนหลับอยู่บางทีกลวนครอกๆเลยนะแต่จิตมันสื่อมันสว่างสวัยถ้าเราต้องการพักผ่อนเราก็อยู่กับความสว่างของจิต<ม>ก็ได้พักละดีกว่านอนหลับซะอีก อาจจะทราบเพราะว่าเวลาสติไม่ทันอกุศลอกุศลเกิดขึ้นจะรู้ไม่ทันอาจจะจะเริ่มอยากจะผิดศีลแต่เขาเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนพวกเราต้องปล่อยแต่เวลาปล่อยคือเขากลัวว่าจะผิดศีลครับเราต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ผิดศีลเราจะไม่ทําผิดทางกายทางวัจจแต่ใจนี่เราปล่อย เพราะฉนั้นเวลาที่ความโกรธเกิดเนี่ยเราไม่ห้ามแต่พอโกรธเกิดแล้วเราจะไปทุบเขาไปตีเขาอะไรเงี้ยเราไม่ทำํำเรามีศีลบังคับควบคุมพฤติกรรมทางร่างกายทางวาจาแต่ใจเนี่ยปล่อยให้มันทํางานแล้วเรามีสติตามรู้ไปนั่นถึงต้องถือศีลเนี่ยเพราะาเราจะไม่บังคับตัวเองและไม่บังคับใจเขาเขาถามว่าเวลาสมมติว่าอยากจะกินเน่าแต่เห็นความอยากเกิดขึ้นแต่เห็นเนาก็ ก็เกิดอีกแล้วกำลังความอยากกินเน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาอยากจะถามว่าการณีแบบนี้เขาควรสนมความอยากหรือว่าต้องทำอะไรครับคือเวลาความอยากเกิดขึ้นเน่นะเราต้องดูว่าเรื่องอันนั้นสมควรทำหรือไม่สมควรทำถ้าไม่สมควรทำเราไม่ทำนะไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธความอยากทั้งหมดนะเราจะใช้เหตุผลมากกว่า แต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรด้วยความอยากความอยากอยากกินเหล้าเกิดขึ้นโดยเหตุผลไม่จาเป็นต้องกินเปลืองอเปล่าเราก็ไม่กิน<ม>อย่างนะทุกคราวที่กินเหล้านะสมองจะเสื่อมนะหลวงพ่อเคยเจอคนแก่ๆ ก, กินเหล้ามาหลายปีนะตอนแก่ๆนีนะ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมองเสียไปหมดเลยคนเราลองไม่มีสมองสักอย่างเดี๋ยวก็แย่แล้วละ่นะเพราะงั้นถ้าเรารักตัวเองอย่าไปกินเหล้ามากเดีย๋ยวสมองเสื่อม นะยุ่งกับคนเท่าที่จําเป็นบางทีเราเพื่อนเราแต่ละคนกินเหล้ามากนะเราไปยุ่งกับมันทุกวันเราก็ต้องกินตามมันไปด้วยงั้นเรายุ่งกับเขาเท่าที่จําเป็นนะเขาอาจจะทราบจิตเขาไปเป็นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอันนี้แสดงว่าจะแยกขนันใช่ไหมครับใช่เห็นไหมว่าร่างกายมันลองยิ้มซิเราให้เขายิ้ม เนี่ยเห็นไหมร่างกายมันยิ้มมีนความรู้สึกอะลองพยักหน้าไม่ร่างกายมันพยักหน้าเนียอย่างนี้ขันมันแยกหรือความรู้สึกความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอย่างนี้ขันมันก็แยกความโกรธเกิดขึ้นจิตไปเห็นเข้าความโกรธกับจิตเป็นโคละอนอย่างนี้ก็ขันแยกเหมือนกัน เขาถามว่าเขาอยากจะรักษาศีลแต่บางทีบังทีคนร้ายจะทํเาเอาเปียบเขาหรือทํานายเขาเขาบอกว่าเขาเอาจอกรณีแบบนี้เขาควรทํำยังไงครับรักษาศีลไม่ได่แปลว่าต้องยอมเสียบเปรียบนะรักษาศีลหมายถึงไม่ไปทำร้ายคนอื่นไปรังแก่คนอื่นเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง เขาบอกว่าเวลา อ, อ, อยู่นิ่งๆไม่ได้ทําอะไรคือเขาทําอยู่ในรูปแบบจะรู้เสืเอ่อความรู้เสืสติจะเกิดปล่อยๆแล้วไปอ อ, ออกไปก็รู้ทันทีแต่เวลาอยู่ข้างนอกอยู่อยู่กับคนเยอะออกรมมรู้สื่ตัวยากครับเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเวลาเขากลับไปประเทศจิงควรปฏิบัติยังไงครับทุกวันก็แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไหม นันเราซ้อมของเราทุกวันทํากรรมฐานมาแล้วรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปอะไรอยงนี้ต่อไปเวล า, าไปอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยพอใจมันเคลื่อนมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไม่เรื่อยๆต่อไปกระทบอารมณ์ข้างนอกมันไหลไปไหลานานๆนลืมหมดเลยไม่รู้ภาวนาอย่งไงงั้นทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้รัก15นาทีก็ยังดีซ้อมไปเรื่อยๆทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิต ท, ที่นีไปนี้มา ไม่บังคับด้วยถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็รักษาตัวไปได้แต่ว่าอยู่เมืองจีนจะมาให้คนไม่เยอะก็ไม่ได้นะเมืองจีนคนเยอะอะในคนเยอะๆแหละเราต้องพอนางเราให้ได้คือ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเคยฝึกภาวนาห้าปีครับเวลาเขานั่งสมาธิไม่เกินหนาทีเขาจะหายใจจะหายลมหายใจจะหมดลมหายใจ <c oughs> แล้วเวลาตื่นเวลาออกรู้รู้ทันทีคือประมาณชั่วโมงนะครับเขาอยากจะถามว่าเวลาอยู่ในสมาธิทําวิปัสสนาอย่างไรครับคือต้องฝึกวิปัสสนาให้ชำนาญก่อนนะถึงจะไปทําวิปัสสนาในสมาธิได้เนี่เราพยายามฝึกอยู่ข้างนอกนี้ก่อนออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยดูร่างกายไหม เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะฝึกเองมันจะแยกกันได้ง่ายเพราะคนที่ทําสมาธิเยอะเยอะๆนะกายกับใจแยกกันง่ายพอแยกไปแล้วต่อไปถ้ามันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เอาเช่นรู้สึกหงุดหงิดก็รู้รู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกสงบอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ทันความรู้สึกแต่ออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยให้ดูร่างกายก่อนเพราะจะดูจิตใจเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่าง นี้พอเราชํานาญนะต่อไปพอชํานาญขึ้นเราเห็นจิตใจมันทํางานตอนอยู่ข้างนอกเนี้ยชำนาญดีแล้วเนี้ยตอนนั่งสมาธิเนี้ยเราจะรู้เลยว่าในสมาธิเองจิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็สงบนิ่งๆบางทีก็ถอยออกมาเป็นคนดูบางทีก็มีความเคลื่อนอยู่ข้างในบางทีก็มีปีติบางทีก็มีความสุขบางทีก็เฟ็นอเบกขาเราจะเห็นความรู้สึกหมุนเวียนอยู่ในสมาธิอีกทีนึงนะอันั้นถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาในฌาน เพราะงั้นตอนนี้ให้ทาสมาธิไปออกจากสมาธิแล้วดูร่างกายก่อนนะแล้วต่อไปถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกใช้ร่างกายเป็นหลักเลยตอนอยู่ข้างนอกนี้เขาบอว่าก่อนส3งสามวันเขาบังคับแผงจ้องอยู่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มก่อนเขาไม่เห็นแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็น<อ>เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ ถ้าเห็นว่าเพ่งจ้องก็จะหายแล้วล่ะนะไม่ต้องไปตกใจมันเราก็แค่รู้สึกตัวไปสบายๆนะไม่ใจลอยไปแล้วก็ไม่ไปบังคับเอาไว้เราก็จะเห็นร่างกายมันทางานเห็นจิตใจมันทางานเดินปัญญาดได้แต่ถ้าเพ่งจ้องอยู่จะไม่เดินปัญญาจะนิ่งๆเมือนั้นถ้าเพ่งจ้องแล้วรู้ว่าเพ่งจ้องนะอีกหน่อยก็หายคืนะอ จริงๆพวกเขาใช้สัพท์ที่ผมไม่เข้าใจครับคือเหมือนจะฝึกแบบลักษลาแบบกรรมนาภายในครับเขาทําอะไรผมไม่รู้เขาอยากจะเขาอยากจะรู้ว่าเวลาฝึกฝึกกงฟูฟแบบเขาเขาจะรู้สึกแบางทีจะรู้สึกอาการทางไกาอาจารย์แบันทีจะรู้สึกจิตที่เครื่องไหวเขาอยากจะถามว่าเขาใช้วิธีแบบนี้ไปภาวนาได้ได้ไหมครับถ้ารู้สึกจริงๆก็ใช้ได้นะ แต่หลวงพ่อเคยเห็นบางคนฝึกแล้วมันเคลิมเคลิ้มไปแบบจิตใต้สํานึกมันออกมานะทําท่าแปลกแปลกอะไรแบบลืมตัวเองคุมตัวเองไม่ได้แบบนั้นไม่ดีนะแต่ถ้าฝึกไปแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจมีความสุขมีความทุกข์หรือจิตใจเป็นยังไงรู้สึกอย่างนั้นใช้ได้นะแต่บางบางอันที่ลําลําไปนะั้นแล้วทําท่าแปลกแปลกนะตัวเองก็ลืมอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะกราบน้มัสการค่ะ ตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกหนูจะกลับด้านยังไงไม่ทราบนะคะคือเขาจะชอบที่จะให้มีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จิตจะตั้งมั่นมากคือหนูไปวิ่งมาราธอนแล้วระหว่างวิ่งมาราธอนเนี่ยจะเห็นทุกอย่างค่อนข้างชัดนะคะตั้งเริ่มตั้งแต่เห็นกายที่มันวิ่งเห็นตั้งแตเ่เวทนาที่มันมามเห็นสัญญาเห็นสังขารที่มันปรุงแต่ไอตอนจุดที่สังขารปรุงเนี่ย หนูอยากจะรู้ว่าหนูจะหนูจะทายัางไงให้มันจบลงตรงที่รู้ได้อะคา่ะอยากวางอุเบกขา ไ, ได้ไม่ทํานะถ้าทําเนี่ยเป็นการแทรกแซงจิตทันทีเลยกลายเป็นสมถะทันทีเลยบางคนบอกรู้แล้วจบลงที่รู้อะไรย<ภ>่เงี้ยไม่ทํานะให้เรารู้ไปเท่าที่มันเป็นนี่แหละต่อไปปัญญาเราแก่กล้าขึ้นนะพอรู้แล้วมันถึงจบลงที่รู้มันเป็นเองถ้าจงใจทําเนี่ยผิดทันทีเลยนะเราจะกลายเป็นนักเพ่งตัวยงเลยค อ, อีกนิดนึงนะค่ะคือตอนนี้หนูเห็นจิตของหนูเนี่ยเขามีความสุขกับการที่ได้วิ่งแล้วก็ได้ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย่ะพอจะพาเขานั่งสมาธิในห้องห้องพระจะเห็นความแน่นขึ้นมาตรงกลางอกคือเขาค่ะเขาจะไม่ยอมที่จะแบบอีเวนท์ากราบพระได้แต่เขาจะไม่รวมเขาจะฟุ้งนะฮะอันนี้เนี่ย ตอนนี้หนูทริกของหนูที่หนูใช้คือหนูก็ทำใจเพียงแค่ว่าหนูปฏิบัติบูชาท่านนะคะก็เขาก็าจะรวมได้แต่ว่าวันต่อมาก็กจะไม่เอาอีนะคะ่ะหลวงพ่อเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรนะเราภาวนาเพื่อรู้ว่าจิตมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจิตสงบเราก็รู้จิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ไม่ได้ภาวนาให้สงบหรอกต้องปรับความประสงค์ใหม่ครับ ปรัวัตถุประสงค์ใหม่ <Okay. S 1> ไม่ได้นั่งเอาดีเอาสุขเอาสงบ น, นั่งไปแล้วมันฟุ้งซ่านรูน้มันสงบก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้นั่งแล้วรู้อย่างที่มันเป็นถ้าเรายอมทำว่ามันเป็นยังไงเราจะรู้อย่างที่มันเป็นนะมันจะไม่อึดอาดหรอกแต่ถ้านั่งเอาดีมันจะจ้องเอาจ้องเอาไม่อึดอัดยังไงก็คงต้องนั่งอยู่ในห้องนั่งสิเพราะ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ได้วิ่งได้ตลอดชีวิตนะ ต่อไปเราแก่ๆเราจะต้องนั่งก็ได้ถ้าตอนนั้นถึงตอนนั้นน่เราทำกรรมฐานได้อย่างเดียวคือวิ่งเนีแย่เลยนะ <laughs> อายุแปดสิบนี้นไปวิ่งก็โอ้ไม่ไหว ค, ค่ะพิ่ขึ้นค่ะท่านอยากจะทำอยากจะทราบว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะดูลมหายใจท่าน เ, เ, ว, เ, เวลา ไปเข้าเข้าไปละสารนาะท่านจะสั้นจังหวะท่านอยากจะถามว่าทำอย่างนี้จะขัดแย้นกันไหมครับคือนั่งภาวนาไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปจ้องนิ่งๆอยู่ก็รู้นั่งภาวนาแล้วรู้ทันจิตไปไม่ได้ฝึกให้นิ่งใช้ใจที่ธรรมชาติที่สุดใช้ใจที่ธรรมดาที่สุด แล้วเราก็ดูใจมันทํางานไปดูไปอย่างธรรมดาที่สุดเลยนักปฏิบัติจะไปพลาดตรงที่ไปบังคับใจนใจก็จะแน่นๆตัวนั้นไม่ถูกนะแล้วคนทั่วๆไปเนี่ใจชอบหนีไปหนีวิคิดนานๆไม่ยอมรู้สติอย่างนั้นไม่ถูกของเราเวลาปฏิบัติในรูปแบบก็ปฏิบัติไปแต่ถ้าจิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปเพ่งลงไปแน่นๆขึ้นมาก็รู้นะ รู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไปด้วยใจที่สบายต้องใช้ใจที่ใจที่คลายออกนะอย่าไปใจที่บีบเข้าม า, อาพอสมควรแล้วเชิ